พระบัญญัติ434ก็ภิกษุใดอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมกล่าวอย่างนี้ว่ากระผมจะยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้จนกว่าจะได้สอบถามภิกษุรูปอื่นผู้ฉลาดผู้เป็นพระวินัยทรต้องอบัติปาจิตตีภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ศึกษาพึงรู้พึงสอบถามพึงพิจารณานี้เป็นการธรรมที่สมควรในเรื่องนั้นเรื่องพระช น, นะจบ